ขอความเจริญในธรรมจง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิญาณในวันนี้ก็คงนำเอาพระพุทธธรรมรัตที่จัดแก่พระนนทและพวกมากล่าวต่อไปคนนี้ท่านสาชนพึงสังเกตนะฮะว่าองค์ธรรมเนี่ยจะเจอซ้ำๆอยู่บ่อยๆก็ทำนองใล้ๆกับอาหารเราที่มีอาหารซ้ำๆนะฮะ แล้วบางอย่างมันก็ซ้ําตลอดชีวิตเลยเจริอาหารประจําถิน่นประจำชาติเนี่ยประจำท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมันซ้ําอยู่ทุกวันแล้วก็ขาดเขาไม่ได้ซะด้วยเพราะอย่าไปมองเบื่อหน่ายธรรมะเอ๊ะทําไมทําไ ม, าามาจะต้องมีธรมมาหนี้ทําไมาจะต้องซ้ําที่จริงมันซ้ําำนะก็เราก็เกิดแก่จะตายนะเกิดซ้ําอย่างนั้นน่ะเป็ น, เ ป, นเป็นความจําเจซ้ําๆำซักๆ แต่ว่ามันผู้กุศลัละกุศลได้ดีอย่างหนึ่งว่าถ้าเราซ้ำกุศลมากมเนี่ยมันช่วยขจัดอกุศลให้เราแต่ว่าฝ่ายที่เป็นโทษคือถ้าซ้ำอกุศลมากๆก็ไปขจัดกุศลของเราเมอนกันในช่วงต่อไปรับสั่งว่าลูกก่อนอนุรุธทั้งหลายเราจเจริญแล้วซึ่งสมาธิอันมีวิตกวิจารซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตก แต่มีแต่วิจารณซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ซึ่งสมาธิอันมีปิติซึ่งสมาธิอันหาปิติไม่ได้ซึ่งสมาธิอันเป็นไปกับด้วยความยินดีและสมาธิอันเป็นไปกับด้วยเบิกขาดูก่อนรุธทั้งหลายการใดสมาธิอันมีวิตกวิจารณ์เป็นต้นเหล่านั้นทั้งเจดอย่างเป็นธรรมาชาติเราจเจริญแล้วการนั้นยาน ยานเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นเกิดขึ้นแล้วแกเราว่าวิมุติของเราไม่กลับกําเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็บัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีอีกอย่างนี้นี้ก็เป็นการรับสั่งเล่าเลยมาจนถึงช่วงศัสรูนะฮะอย่าลืมว่าตอนนี้รูุ้ทธเา้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่รับสั่งเล่าเนี่ยก็ทรงแสดงไตามาได้เรื่อยใช่ไหมไตายมาจากพวกถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเอาทุกมาพูดก่อน แล้วก็เสร็จแล้วก็เอาสมุทยัยพวกกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยมาสาธยายซะเยอะที่มันเกิดอยู่ภายในจิตเนี่ยนะเสร็จแล้วก็มาพูดถึงตัวมรรคที่เป็นเหตุให้เกิดผลคือนิโรธอ่อนๆขึ้นไปไเรื่อยๆนะฮะทีนี้สมาธินแนวที่ทรงอธิบายเนี่ยคือสรุปง่ายๆว่าบรรดาพวกกิเลส ท, ทั้งหลายจะทรงยกมาจะมากน้อยอยังไงก็าตามนะฮะในที่นี้ที่จริงในพระสูตรที่ทรงแสดงกับพระนรุตนี่มาก กิเลสมากบางทีเราอาจจะพบอุปกิเลสตั้งสิบหกข้อแต่เมื่อเรานำมาเกาะกลุ่มดูกิเลสเหล่านี้ก็ก็คือโลกกดลงก็ไม่มีอะไรมันก็แตกมาจากรากใหญ่ที่สุดก็คือวิชานับไปเถอแต่กิ่งก้นกนานสาขาอย่างไงก็ช่างมันถ้าเราตัดที่รากมาได้ ยางอืนก็ชื่อว่าถูกทำลายไปดังนั้นเวลาเจริญสมาธิตรงนี้เป็นการเพิ่มกุศลให่รอนสังเกตว่าเพิ่มกุศลไปไเรื่อยๆเริ่มแล้วสมาธิอันมีวิตกวิจารคือที่จริงก็เป็นฌานนะฮะแสดงฌานแต่ว่าก็เพิ่มธรรมะบางข้อขึ้นไปก็กลายเป็นเป็นเจ็ดจังหวะที่จริงก็ โดยทั่วไปเนี่ยเราจะพูดถึงห้ากับสี่ฌานนะฮะถ้าพู ด, ดนในอนวพิธรรมเราก็พูดถึงถึงปัญจมชฌานนะฮะฌานที่ห้าแต่พูดระดับของพระสูตรเนี่ยก็แค่สี่แต่นั่นเองที่เป็นพระบาลีพุทธวจนะแล้วอาตมาเองก็ไม่ค่อยเชื่อที่ที่เขาไปแยกเป็นเป็นห้าเนี่ยเรานึกไม่ออกว่าวิโตกกับวิจารณ์มันแยกกันได้ยังไง พระวิโตกกันใดวิจารณนั้นวิจาร์ันใดวิโตกันนั้นแล้วไปแยกกันอยู่กันคนละขณะได้ยังไงมันต่อกันไปอ่ะมันต่อกันไปแยกกันอยู่คนละองค์ฌานแต่ท่านอธิบายอย่างนั้นเราก็ไม่ว่าอะไรแต่เราก็ไม่อธิบายแนวนั้นอธิบายแนวที่พระพุทธเจ้าสรงแสดงโดยตรงซึ่ไม่ใช่แนวที่อาธิบายกันคือมันต้องนึกที่จิตด้วยนะฮะมันต้องดูที่จิตเราด้วยไม่ใช่ว่า มองว่าไปเรื่อยๆโดยไม่มองว่าที่จิตมันทําได้อย่างไงเช่นสมมุติว่าเราเราคิดถึงพ่อแม่ของเราเป็นวิตกคิดปั๊บเนี่ยถคิดถึงคุณพ่อปั๊บเป็นวิตกคิดถึงความดีของพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น่างนดีอย่างนั้นอย่างนั้นว่าไปยังไงก็ทําเป็นวิจารนะวันแล้วมันแยกได้อย่างไรอย่างไรเราคิดถึงพ่อปั๊บเราก็คิดถึงความดีของพ่อก็ว่าไปเรื่อยบางที่คิดจนน้าตาไหลร้องหอบร้องไห้ไปเลย ต่อกันไปเป็นแถวนะฮั้นเราพูดระดับจิตธรรมดาระดับจิตธรรมดาไม่ต้องเอาเร็วระดับของของกรรมฐานเนาะเพราะ ว, าวิตกก็คือการตรึกนึกที่เป็นกุศลเพราะอย่าลืมนะฮทรงใช้ก็ว่าเราจเจริญสมาจเจริญแล้วซึ่งสมาธิอันมีวิตกวิจารณ์ก็แสดงว่าสมาธิตรงเนี้ยมันเป็นเหตุให้เกิดวิตกวิจารณ์ที่เป็นกุศล วิตกนั่นคืออะไรวิตกคือการจรกนึกถึงอะไรละ่ะพวกกุศลวิตกทั้งหลายไอทรงอธิบายไว้โดยประยายอื่นนะฮะโดยประยัยอื่นหมายความมาความนึกเวหขนาดนั้นก็อยู่ในกุศลก็แล้วแต่กุศลอะไรก่อนมาขึ้นอยู่กับกรรมฐานอะไรด้วยนะ่ในี้วิตกที่เขาเกิดนี่ยก็จะทำหน้าที่สงบพวก ง่วงนอนที่เรียกว่าทีนนไมิท่าเนี่ยให้เราสังเกตว่าในคืนใดก็ตามที่จิตใจเราเนียวนึกตรึกนึกถึงกุศลนธรรมอยู่มากมา ก, มากนึกถึงอะไรก็ตามนึกมากๆนะครความง่วงจะไม่เกิดแต่มันผิดอย่างหนึ่งถ้าว่าสิ่งที่เรานึกเป็นเรื่องของกามคุณเป็นเรื่องของความกำหนัดพรมเพลิดเพลิ น, นสนุกสนานเรื่องอาฆาตมารร้ายอะไรต่างๆน่างกายจะเพลียแต่ถ้าเราคิดไปธรรมะที่เป็นกุศลมันจะเกิด ปีติเกิดปัชัิทิเกิดสมาธิเกิดสงบจิตมันจะสงบแล้วมันจะเกิดเอิบอปิมเราจึงเห็นพระอาจารย์กรรมฐานที่ท่านนอนแต่น้อยนะฮะแต่ว่าหน้าตาท่านพร้อมใสจิตใจท่านช่ำชื่นเบิกบานเพราะว่าตัวความคิดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากรหรือปัญหาพูดไปพูดมาเนี่ยเวลานี้มันไม่อยู่ที่เราคิดยังไงข่าวคราวสื่อสารต่างๆปรากฏมาก มาได้เกิดจะถามว่าคุณคิดยังไงตรง น, นี้อย่าลืมว่าจิตเนี่ยมันเป็นธรรมทีตัววิจดกเลยก็เป็นกุศลเป็นการตรึกนึกในแนวกุศลกิเลสมันจะจางคลายออกไปจากใจจางไปคลายไปบรรเทาไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาการของทีนะมีทาตุในความง่วงเหงาเผลนอนซึ่งซึมน้อยเงาดหดผูกต่างๆมันจะหายไปได้วิจารณ์เนี่ยมันจะ เป็นเรียกว่าธรรมวิโกวิจารณเนี่ยมันวิจารธรรมยกธรรมะขึ้นมาพิจารณาธรรมะเป็นเรื่องแปลกคือถ้าเรายกขึ้นมาคิดปนิดพิจารณาแล้วก็ไปเลยไปเป็นแถวโยงใยเป็นขุมข่ายมันก็ใยแมลงมุมทิโยงกันไม่มีที่สิ้นสุด แล้วถ้าเราไปคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยคิดถึงพระพุธคุณคิดถึงองค์พระพุทธเจ้าคิดถึงประวัติแล้วไม่จะเกิดจินตภาพขึ้นภายในใจเห็นด้วยเห็นด้วยใจนะไม่ใช่องค์จริงนะเห็นด้วยใจมันมีความรู้สึกคล้ายๆเราเห็นพระพุทธเจ้าสเสด็จพุทธดําเนินเสด็จประทับนางสเสด็จทรงบารกำลังสแสดงธรรมกำลังประทับอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันเกิดเป็นจินตภาพขึ้น แต่จินตภาพเหล่านี้อันตรายเหมือนกันแกบางทีบางทีถ้าเอาไปเล่าเป็นตูวเป็นตะการเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุท ธ, ทธเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนอะไรพวกอาจารย์กรรมฐานเนี่ยชอบเล่าบ่อยงมื่ก่อนก็เจออาจารย์ใหญ่กรรมฐานท่านหนึ่งก็ตั้งก็สังเกตกับท่านว่าหลวงพ่อพูดอย่างนี้ยุ่งหมดนะเนี่ยกลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผีเร่ร่อนนะแต่เยี่ยมก้นนั่นกนนี้ยุ่งยุ่นหมดเลย มันเราเป็นจินตภาพเราเกิดได้นะแต่ว่าพระพุทธเจ้าที่เราเห็นไม่ได้เหมือ น, นที่คนอื่นเห็นนรอกแตคนต่างก็เห็นเคยถามพวกสํานักธรรมกายเนี่ยฮะต้องถามวัดเดี๋ยวคุณคุณกัน ông, องค์ก็พอพอพผูดที่เล่นที่จริงกันได้นะถามคุณเห็นจริงธรรมกายองค์ธรรมกายที่ว่าเนี่ยคุณเห็นจริงอ่ะก็เขนจริงอย่างนั้นอย่างเนี้ยแล้วที่จําลองก็จําลองจริงใช่ไหมที่จําลองมาเนี่ยเหมือนองค์จริงใช่ไหมก็จริง เอทนามก็ยุ่งแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสามวัดนี่ไม่เหมือนกันเเห็นไหยไปลองดูเถอะจำลองพระธรรมกายนี่ไม่เหมือนกันแสดงว่าถ้าจริงเนี่ยมันต้องมีเทสสองสอ ง, องค์นะครับแต่ปัญหาปหาัญหาว่าองค์ไหนจริงกว่าไหนเท็จพวกนี้ถ้าเราคิดจะดีแล้วใกล้ๆกับที่พระเจ้าสร้างโลกไหมเห็นไหมพระเจ้าสร้างโลก ทั้งโลกไหนแล้วก็โลกที่เราอยู่หมดเลยนะฮะทุกคนเนี่ยอ้างว่าสร้างโลกที่เราอยู่หมดเลยเอคุณน่าจะตกลงกันก่อนนะว่าใครสร้างโลกกันแน่เพราะโล ก, กมันมีใบเดียวเองอ่ะทาไมมันสร้างกันเยอะแต่เกิดอ่ะแล้วก็เลือกสร้างเฉพาะดีๆ ด, ด้วยนะฮะบอกสร้างทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเอโรคเอคุณก็สร้างด้วยจริงนั้นอ่ะเสียโรคทั้งหลายคุณก็สร้างด้วยมะเร็งคุณก็สร้างด้วย ปศัตร้ายทั้งหลายที่กัดคนไปปีๆตายเยอะพวกยุงยิงนี่คนก็สร้างโดยเอาไม่เอาละ่ะประโยชน์ให้ซาตานแหละอะไรก็ไม่รู้กัมืนกันอันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่เราเห็นว่าเอาข้อจริงแหละมันมีความขัดแย้งกันเและการวิจารณ์เนี่ยคือการไตรจองให้เข็นแล้วมันจะเกิดความสงบขึ้นภายในเรายิ่งวิจารณ์มากดิความเครียดแรงสงสัยต่างๆมันจะหายไป มันจะหายไปเรื่อยๆเพราะแนวตรงนี้ที่จริงถ้าเราธรรมดาไม่แบบกรรมฐานก็ฝึกโยนิสมนัสิกาณ์นะฮะการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาโด ย, ยวิธีที่แยกคายมีเหตุมีผลคิดเป็นกระบวนการโยงเหตุถึงผลโยงผลหมาเหตุยังไงวิเคราะหส์สอบไปเรื่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนมากยิ่งขึ้น วัวิจารตอนนี้มันเลยไปสงบพวกวิจิจิชาเห็นไหมเราเราจะเห็นชัดเจนว่า น, นิวรณ์สองข้อในสงบลงไปเพราะว่าที่จริงไม่ใช่สองข้อหรอกนะฮะคือมันสงบไปเยอะเพียง <c oughs> แต่ว่าชัดเจนคือคือคืออย่างนี้เราเราลองดูค่อย่างเนี้ยการเกิดขึ้นของธรรมะเหมือนกับเราส่องไฟฉายไปเพื่อจะดูอะไรสักอย่างเนี่ย ถามว่าจริงๆแล้วแสงเนี่ยมันอยู่เฉพาะจุดที่เราส่องหรือเปล่าก็เปล่ามันกระจายไปถึงที่อื่นด้วยเราก็เห็นอย่างอื่นด้วยพลคุณส่วนและธรรมเวลาเขาเกิดขึ้นภายในใจเนี่ยเขาไม่ได้สงบเฉพาะสิ่งนั้นหรอกแต่เขาสงบสิ่งอื่นด้วยเราลองดูสังเกตอ่ะเราคารมพ่อแม่เนี่ยความเคารพความนับถือก็ได้ศรัทธาก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะจะเรียกวารู้สเนี่ย ถามว่าเรามีความอดทนต่อท่านไหมเรามีการให้อภัยต่อท่านไหมเรานับถือท่านไหมเรายกย่องท่านไหมเราศรัทธาท่านไหมเราเชื่อมัน่นว่ามันไปเป็นแถวเลยไปเป็นแถวขี้เกียจนับเองอะ่ะนะนับเป็นงลงธรรมอะไรจะเยอะเลยครับแต่ว่าท่านจะเน้นเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งนะต่อไปก็ซึ่งสมาธิไม่มีวิตกแต่ก็มีวิจารณ์พอประมาณ นี่ก็แสดงว่าเป็นแนวเป็นแนวปัญจมาฌาน่ะแต่มีไม่มากนะฮะมีไม่มากแต่แนวแสดงแบบปัญจมาฌานจนถึงจุดหนึง่งซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตกแล้วก็ไม่มีทางวิจารหมายความซึ่งงบความคิดละจิตมันนิ่งไปมากจิตมันนิ่งไปมากมันก็เกิดปีติคือความเอิบอิ่มขึ้นภายในใจ ปิติเป็นอาการฟูขึ้นของใจเป็นอาการเอิบอิม่มเบิกบานแช่มชื่นปรากฏขึ้นภายในใจปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆเป็นอันมากนะฮะแต่สรุปวลักษณะฟูขึ้นคล้ายๆกับดีใจอะ่ะคล้ายๆกับดีใจแต่ดีใจมันอาศัยวัตถุการมอาศัยสิ่งที่เป็นวัตถุคือรู้สึกได้รู้สึกมีรู้สึกเป็นแล้วก็จะดีใจแต่ว่าปีติเนี่ยเป็น เป็นปีติในธรรมนะฮะที่เราคุ้นๆพระพุทธภา ษ, ษ, ษ, ษิตว่าธรรมะปีติสุขังเสติความปีติความเบิกบิบในธรรมเนี่ยทําให้ช่วยเราอยู่เป็นสุขเราก็ทั้งโลกนี้ทั้งโลกอื่นนะฮะอสมิงโลเกปรามิจจ์ทังในโลกนี้แล้วก็ในโลกอื่นเพราะพอปีติเขาเกิดเนี่ยความอาฆาตพยาบาทซึ่งตามปกติแล้วเป็นตะกรนใจที่กัดใจเป็นลึกดมันจะสงบ เพราะตอนนี้ยังไม่ถึงก็หมดนะอย่าลืมว่าคนที่ตัดปฎกิเลสประเภทพยาบาทได้ไม่นต้องระดับราชาคารอะไรใช่เรื่องธรรมดาตัดยากนะกิเลสประเภทโกรธนี่เพราะงั้นเมื่อธรรมะตรงเนี้เขาเกิดขึ้นเนี่ยปิติก็ เ, เกิดก็จะสงบพยาบาทพยาบาทเป็นกิเลสประเภทโทรสะทึ่งสายซึ่งสายไปแล้วก็ แล้วก็ไม่มีเหตุผลอนะคือเราอย่าลืมพวกกิเลสเนี่ยผลท้ายแล้วเราจะเอาเหตุผลไปจับมันไม่มีเหตุผลไนงะเวลากระจายออกไปเป็นรู ป, ปรวัตถุเราจะชัดเจนมากนะให้เราสังเกต น, นะะจะอาฆาตเรื่ออาฆาตต่วัตถุคืออาฆาตว่าคนนี้ได้เคยทําอันตรายต่อเราคนนี้ได้เคยทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเรา คนนี้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตเราเอาละไอสองข้อแรกปกฟังได้แต่ข้อที่สามมันเรื่องอะไรเห็นไหมเขาทำความดีกับพวกของเขาเพียงแต่ว่าเราอาศัยความไม่ชอบของเราเนี่ยเขาเรียกเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธคนคนนีถ้ถูกเราโกรธเพราะแกไปดีกับคนที่เราโกรธเลยเราก็โกรธแกด้วย และตัวอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอึดูัเหมือนกับครอบครัวเพื่อนบ้านใกล้เดินเคียงกับเราตั้งแต่แกอยู่จนเครียดกันได้อ่ะอยู่กันดีๆไม่ได้เอาอาจจะเมียทะเลาะกับเมียผัวทะเลาะกับผัวอะไรแต่ไหนเนี่ยทําไมไม่ขีดวงย้ายไฟมันรอมันดับได้ง่ายเอาสมมติว่าคู่รัผู้หญิงก็ทะเลาะกันก็ปล่อยก็ทะเลาะกันผู้ชายจะไปยุ่งอยู่เฉยๆลูกๆเฉยๆไม่ได้เกี่ยว แต่ไม่ฮะพวกนี้หาแนวร่วมเลยแม่เราต้องสั่งลูกเลยต้องช่วยโกรธกับฉันด้วยต้องร่วมโกรธกับฉันด้วยชวนลูกทําชั่วนะเป็นแม่ได้ยังไงก็ไม่ร่วมแค่ชวนลูกไปทําชั่วฮเขาไม่ชวนหรอกก็ชวนทําดีพอแม่เนี่ต้องห้ามปรามลูกไม่ทําความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีแต่เพราะมันโกรธฮนะเพราโกรธเลยไม่มีเหตุผลนะตัวเองโกรธคนอื่นต้องโกรธด้วย ฉันหึงเนี่ยคนอื่นต้องช่วยหึงให้สันด้วยเพื่อไม่ปัญหาเรื่องเมียน้อยเมียหลวงปัญหาบ้านแตกปัญหาต่างๆเนี่ยก็มีคนมาเล่าให้ฟังบ่อยมาปรับทุกมาพยายามที่จะให้เราช่วยชี้แจงนะฮะบางคนก็พอคุยกันได้บางคนก็คุยกันไม่ไหวแล้วคือเรื่องเหล่านี้พระเข้าไปเกี่ยวข้องได้ในกรณีที่เขาไม่ถึงก็ะยาร้างทะเลกกาะกันแล้วเราก็ต้องคุ้นปรุงควรนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมาก ถ้าเขาพร้อมที่จะฟังเราก็คุยอะไรให้ฟังได้นะให้เหตุผลต่างๆได้แต่นี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าจิตที่อาฆาตอย่างนั้นเนี่ยมันผิดละอย่ากข้อที่สามนี่ผิดแล้วก็บางครั้งก็อาฆาตว่าคนนี้กําลังทําอันตรายต่อเราคนนี้กําลังทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้กําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตสู่เราเห็นไหมข้อสามผิดอีกอะไม่มีเหตุผลนีกอ่ะก็ทําความดีเนี่ย ทำไมคุณไปโกรธเขาทําไมแล้วทําไมคุณจะต้องผูกขาดแล้วเขาทำความดีกับคุณ่ะเพราะคุณไม่ชอบเขาก็าจะทําความดีกับคุณได้ยังไงแต่ว่าเขากับคนที่คุณไม่ชอบเนี่ยเขาชอบกันน่ะเขาก็ทําความดีต่อกันตรงเนี้ยเกิดเป็นเกิดเป็นปัญหาภายในจิตใจมนุษย์เนี่ยคือถ้าเราลองสังเกตว่ามนุษย์เนี่ยที่ยุ่งมากที่สุดเนี คือมันมีสัญชาตญาณดิบถ้าเราลองสังเกตไอ้ดิบแรงๆเนี่ยมันออกมาสองข้อข้อหนึ่งคือริษยาก็ข้อหนึ่งคือวิหิงสาวิหิงสาเป็นเป็นความคิดไม่มีเหตุผลนะักพยาบาทยังปกฟังได้นะฮะพยาบาทยังปกฟังได้เช่นเขาต่อยเราแล้วเราก็โกรธพยาบาทเอาไว้เฮ้ยยังปกฟังได้วิหิงสาไม่ฮะเขาไม่ได้ทําอะไรเราแต่เราอยากเรารู้สึกมันที่จะเห็นความพิบัติเดือดร้อนของคน ดูมวยต่อยก็อยากจะให้ต่อยกันให้ตายเลยนะแล้วก็เชียร์แรงๆนะถ้าลองสังเกตมันเรื่องอะไรของคุณล่ะเอออันนั้นเขเป็นกีฬาเฉยๆอะ่ะก็ต่อยก็เป็นเกมกีฬาเฉยๆแล้วก็สังคมเนะี่ยเกิดสร้างกฎตรงนี้ขึ้นมาจนจนเป็นเรื่องแปลกแต่จริงทําถูกให้เป็นผิดทำผิดให้เป็นถูกคนต่อยกันตายต่อยต่อ ย, อยเพื่อนตายข้างล่างเวทีนี่ผิดกฎหมายนะฆ่าคนตายนะะ หรืออย่างน้อยก็ทำาคนตายทำให้คนตายโดยความประมาทแต่พอขึ้นเวทีปรากฏว่าต่อยกันตายได้ดูแต่กฎหมายมนุษย์สร้างกันมาเป็นความคิดที่ทแปลกแต่จริงเพราะอะไรเพราะว่าใจมันมีวิหิงสานี่อยู่ลึกๆเป็นสัญชาตญาณดิบของสัตว์โลกที่ที่เราเรียกว่าปัจจุบัน เ, เรียกว่าซาดิสเนี่ยมันเป็นความรุนแรงชอบความรุนแรงชอบดูอะไรที่รุนแรง หรือโขดแรงๆพวกมวยปล้ำพวกซูโม่พวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันทําอะไรก็ชอบความรุนแรงอย่างนั้นหรือว่ากีฬาบางกีฬาอะไรที่เขาปล้ำกันที่สวมหัวอะไรของอเมริกาเนี่ยอะไรเขาไม่รู้แค่ถือเป็นเรื่องแปลกแลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าฤทยาใครดีใครเด่นใครดังไม่ได้ฤทยา แล้วยิ่งคนที่เราไม่ชอบแล้วไปใหญ่เลยเอ็นไหมตรงเนี้ยมันนาการองริษยาที่จริงคนที่เราไม่ชอบกับคนที่เราไม่ชอบทั้งคู่นะฮะทั้งคู่เนี่ยเราไม่ชอบก็ทั้งคู่เขาก็ทําดีต่อเขาแล้วคุณไปโกรธก็ได้ยังไงเช่นว่าเราโกรธผัวเมียคู่หนึ่งแล้วผัวเมียเขาเนี่ยเขาก็รักของเขานะฮะก็ทะนุถนอมกันและกันแล้วเราไปริษยาเขาไปโกรธเขาเออก็แปลกดีอันนี้เขาเรียกว่าหาเรื่อง เป็นจิตใจที่ตลกมากที่สุดพวกกิเลสเราเนี้ยถ้าเรามาอมองดูสร้างสนาการสมมติเราก็ดูดูพฤติกรรมของมนุษย์จะดูเขาทำจากความคิดอย่างไงตรงนี้เธอจะเห็นอาการของริษยากาวิงสานี่เป็นกิเลส ท, ที่น่าสลดมากที่สุดมันยกจิตห่างจากสัตว์ดิราชารไม่ได้มากเลยเห็นไหมสัตว์ดิราชารเม่อเาเพื่อนได้อาหารไปแย่งเขานั่นคือริษยาริษยาลงลงมือไปแย่งไห มันก็เหมือนกับคนเราเวลาเพื่อนไปขายพืชผลพืชไร่พืชสวนพืช น, น า, นาแล้วก็ไปปล้นเขานี่ฮะเหมือนกันนะฮะเหมือนกันกับว่านกตัวหนึ่งมันได้อาหารในตัวหนึ่งไปแย่งหรือหมาตัวหนึ่งได้อาหารแล้วหมาตัวหนึ่งไปฟัดเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะฮเป็นพฤติกรรมแบบสัตว์ดิเรกาันที่มันมีความเบียดเบี้ยแมีความริษยาทนเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้อย่ันที่เคยเล่าตอนต้นๆดี๋ยว่าพระพุทธเจ้าท่านไปเจ้าชาติสถานนะฮะท่านไปเห็นอีกา โฉบเนื้อในตลาดแล้วก็บินกำลับบงจะไปหาที่เกาะเพื่อจะกินอาหารนะะอีกาตัวอื่นเห็นก็บินก็แย่งไลยแย่งาอากาศอากาศอะตัวที่สามเข้าไปแย่งด้วยตัวที่หนึ่งเลยต้องอ้าปากเพื่อจะจิกอาหารหล่นอาหาหล่นจากปากตางคนต่างก็แยกย้ายบินไปไปเจอกับหมาข้างล่างหมาตัวหนึ่งก็ไปงับอาหารเหล่าน้นเข้าวอีกสองตัววิ่งก็ฟัดแย่งนั่นคือธรรมชาติของความรุนแรงในโลกมนุษย์ ทีนี้ถ้าใจปีติในความรู้สึกเหล่านี้ไม่มีนะเพราะมันจะสลายไปนะทั้ง ว, วิหิงสาทั้งฤทธิ์สยามนะทั้งพยาบาทจะไม่มีก็กิเลสประเภทนี้เป็นกิเลสประเภทแรงๆนะมีโทสะปนอยู่ทุกแห่งนี้ย่างหนึ่งบางทีก็ไปอะไรล่ะไปสร้างสถานการณ์สมมติเอาเองในอนาคต ต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์คือกูนตัวสู้เราแล้วก็กรัวเขาลักษณะค่าปิดปากเนี่าปิดปากสมัยโบราณสมัยยุธยาของเราที่ค่าจะชั่วโคตรที่จีนค่าเก้าชั่วโคตรเนี่ยคืออย่างเนี้ยคือความคิดเบียดเบียนแล้วก็ให้ความสําคัญแก่ตัวเอง ไม่ยอมรับความต้องการแก่คนอื่นแล้วเขาจะเป็นหรือไม่เป็นในเราก็ไม่รู้นะแต่เราตั้งตัวเป็นสารเตีย้ยตัดสินกันแล้วว่าเขาจะเป็นอันตรายต่อเราเพราะงั้นเลยก็ตัดไข่เต้ต้นนมก็คือฆ่าเลยนั่นะคือเป็นปัญหาขาดโลกที่โลกมันมีปัญหาเหล่านี้กันมาตลอดเพราะงั้นพอเกิดปีตินะฮะมันไปส ง, งบกิเลสประเภทนี้ออกไป จิตใจก็สบายทีนี้เรามาเนี่ยซึ่งสมาธิอันหาปิติไม่ได้คือปิติส ง, งบส ง, งบในหมายความมอาพยาบาทก่อนสงบไปด้วยนะไม่ใช่เพราะว่าปิติไม่ปรากฏด้ยพยาบาทจ่ายคือพวกนี้มันมันอยู่ลึกไปเลยอยู่ลึกไปเลยคือถูกสยบคือเราจะเรียกว่าส ง, งบมันก็ไม่เชิงถ้าเห็นชัดก็สยบมันเหมือนกับไอ้อารมพิษนะเราจับมันได้จับที่ที่หัวมันได้ มันก็ยังมีแรงนะดิฉันก็ยังดิน้นแล้วกัดได้แต่ว่าในช่วงที่เราจับไว้แข็งๆนี่มันก็กัดอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตใจที่จะเริญสมาธิมาจนถึงจุดนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นการพูดด้านกุศลธรรมก็พูดง่ายคือสมาธินั่นแหละแต่ว่าเป็นการย่อยให้ดูว่าสมาธิที่จริงมันก็ขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนมาขึ้นมาขั้นเป็นตอนมาเรื่อยๆ มีความประนีตปรากฏขึ้นภายในจิตเรย่อยแล้วพอถึงจุดหนึ่งอาการเหล่านี้คับอาการเหล่านี้ก็ตกลงว่าเราจะเห็นว่านิวรเนี่ยมืพอมาถึงจุดนี้นิวรสามข้อส ง, งบวิตกสงบไม่ใช่คื อ, อทีนมิธะสงบนะฮะแล้วก็วิจิตรฉาสงบแล้วก็พยาบาทสงบ